อะไรนะสี่เจ็ดบ่อยไหมเป็นกิเลสเยอะไหมดีถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสนะแย่คนที่ไม่ได้ภาวนาก็จะรู้สึกว่าตัวเองดีพอมาภาวนาจะเห็นกิเลสเกิดทั้งวันมิมนั่นมินนมนครับกิเลสเกิดทั้งวัน แต่ว่ามันครอบงําใจเราไม่ได้นะไหวแวบมาสติมันทันก็หายไปแล้วนะให้สั่ว่ารู้สั่งว่าเห็นใจคุทีเมื่อกี้ผมพูดว่าความรู้ที่ในข้างนอกมันเป็นเหมือนกับมีผู้รู้เพื่อคะแล้วทีนี้บางคนต้องทำแบบนี้ไหมบางคนก็ทําอย่างนี้ก่อนก็ตั้งไว้ก่อนแต่ตั้งไว้ต้องสบายๆนะถ้าตั้งแข็งเกินไปมันไม่มีปฏิกิริยา อ, อะไรขึ้นมาอยน่ะนิ่งๆ กลายเป็นการเี่งจิตถ้าเราไปจ้องรักษาจนในตัวผู้รู้ของเรานิ่งไปตลอดนะ่ะไม่ดีหรอก น, นั้นถ้าทก็ทแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ต้องเพๆากาไม่ให้เข้มข้นขนาด น, นั้นมันเข้มข้นมากไปแล้วเมื่อกี้จะ้ออดคิดไม่ได้ค่ะแต่ว่าครังนี้ไม่เหมือนกับทไมมันถึงต้องมาประคองเพราะว่ามันกลัวที่จะ่กลัวมันกลั ว, ลวทาไมถึงประคองทาไมถึงต้องทำมันนั้นต้องทาอันนี้นะ<ม>คาตอบก็คืออยากมีความสุข กลัวความทุกข์หรืออยากแยกพ้นจากความทุกข์แค่นั้นเองนก็คือหนีไม่หนีไม่อยู่วันนี้นะเพั้นเราปฏิบัติถ้าเราหนีตลอดเราก็แพ้ตลอดแหละอย่าไปกลัวมันใจถึงถึงหน่อยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณนะ์นะไม่ต้องหลีกเลี่งยงถ้าเรามีตามันก็ต้องเห็นรูปมีหูมันก็ต้องได้ยินเสียง ม, มีบุญนะถึงได้มีตามีหูนะออไม่มีบุญไม่มีตาไม่มีหูตาบอดหูหนวกเล งั้นเราอย่าไปกลัวะเรามีของดีแล้วเอามาใช้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยชีเล่มันเกิดขึ้นมาแต่ปัญญามันก็เกิดได้ด้วยนะสติปัญญาก็าเกิดจากการกระทบนี้เหมือนกันเออมันเจนแรงเออมันหลบแนละหลบจนมันชินคล้ายๆเข้าป้อมนะอย่า ก, กลัวนะเอาไปส่อตู้เอานะลูกเขาพุทธเจ้าไม่กลัวนะ ธรรมชาติของจิตมันต้องกระทบอารมณ์กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วเราก็ไม่ไปตรึงให้นิ่งปล่อยให้มันเกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาตินะเกิดสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแล้วเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้แหละเรียนรู้จากปฏิกิริยาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี่เรื่องแต่ของไม่เที่ยงเรื่องแต่ของบังคับไม่ได้ในสุดวันหนึ่งปัญญาจแจ้งจิตใจนี่เป็นของบังคับไม่ได้หรอก จิตจะไปทางตาจะไปทางหูือจิตจะไปคิดอะไรเลือกไม่ได้แต่เลือกได้ในการที่ปรกคองไว้ตลอดรักษาตลอดนะนั่นเป็นสมถะอา้าโยส่งกันบ้านนะโยหะไม่มีอะไรพูดเป็นธรรมะนอะทุกอย่างว่างเปล่า <c oughs> เหมือนที่พระเจ้าสอนดูก่อนโมคลาดคงเห็นโลกเป็นความว่างเปล่าโยบอกไม่มีอะไรได้ธรรมะแล้วมั้ง ขยันดูพอโยดีล้วที่ดูอยู่นี่ดีแล้วนะมันเกินปกตินิดนึงตอนนี้รู้สึกไหมเกินธรรมดานิดหนึ่งไม่ล่ะไม่คราวก่อนดีคราวนี้เป็นไงเรอ่มหมายผลแล้วเรื่อยๆไม่มีอะไรเรื่อยๆมันเป็นยังไงเรื่อยๆอกูศลเกิดเรื่อยๆหรือสติ เออดีต้องอย่างงั้นนะออคุณอ้อยละ่ะคุณอ้อยเป็นอ้อยไข่อ ย, อย่างชั่วละเออเออทําไม่ได้นะรู้นี่เป็นสิ่งที่จงใจทําขึ้นไม่ได้รู้ที่จงใจทําขึ้นมาเป็นรู้จอมปลอมไม่ใช่ของจริงรู้จริงๆเนะี่มีเหตุมันถึงจะเกิดเราทําเหตุคือเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยเรืยเช่นคอยรู้ทันใจของเรา เช่นนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึง่งเดี๋ยวฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ไปคิดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวหัดรู้สภาวะไปเนี้ยจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้นะจิตไปทําอะไรก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วสติเกิดเองสติเกิดเองนี่บางคนก็ต้องมีเครื่องช่วยนะสําหรับคนหัดใหม่ต้อมีตัวช่วยเหมือนกัน อยู่ๆจะดูจะเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดเดียวนี่ทําไม่ไหวเราก็หารูปแบบของการปฏิบัติมาช่วยรูปแบบจําเป็นนะสําหรับคนหัดใหม่ๆรูปแบบก็คือหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนอะไรก็ได้เกี่ยวกับกายและใจของเรานะต้องเกี่ยวกับกายและใจนะอย่าไปเอาอารมณ์กรรมฐานข้างนอกเช่นไปนั่งดูพระจันทร์ไปนั่งดูเทียนดูลูกแก้วดูพระดูอะไรนี่ออกนอกนะ กรรมฐานอย่างนั้นพลิกกลับมารู้กายรู้ใจยากเอากรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับกายกับใจของเรานี่แหละนะมันพลิกนิดเดียวมันก็กลับมาทำมิปัสส น, นะได้ยกตัวอย่านงะคนไหนเคยฝึกพองยุบนะไม่ห้ามนะฝึกต่อไปฝึกพองยุบต่อไปดูท้องของยุบไปนะแต่ปรับวิธีดูนิดนึงดูเพื่อหาสังเกตสภาวะเนะพราะเราจะเรียนเรื่องสภาวะเชน่นเราดูท้องของท้องยุบสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดเรื่องอื่น รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเป็นการรู้ทันจิตดูท้องพองยุบไปสักพักหนึ่งเข้าไปเพ่งจิตไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆไปเพ่งอยู่ที่ท้องให้รู้ทันว่าเพ่งท้องอยู่นะดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆจิตเกิดปีติจิตมีปีติขึ้นมาก็รู้จิตมีความสุขก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดถูกก็รู้ดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆแล้วก็เคยรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นการอาศัยการรู้ท้องพองยุบนะ เป็นเครื่องมือเพื่อจะมารู้เท่าทันสภาวะที่กําลังเปลี่ยนแปลงในจิตใจตนเองดูไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ลก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้หรือคนไหนหัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปหายใจไปเรื่อยๆหายใจไปสักพักหนึ่งจิตก็หนีไปคิดใช้หลักเดียวกันจิตนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิด จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจหายใจไปเรื่อยๆจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศล เ, เป็นอกุศลก็รู้ไปเรื่อยๆ น, นี่เป็นการฝึกที่จะรู้สภาว ะ, นะคนไหนเดินจงกรมยกเท้า ย, ยัา่งเท้าก็ยกต่อไปนะยังมีแรงเดินก็เดินไปเดิน <ะ S 2> ไปแล้วจิตหนีปิคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าก็รู้จิตเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลเป็นอกุศลก็รู้ใช่หลักเดียวกัน คนไหนฝึกแนวหลวงพ่อเทียนขยับขยับมือทําจังหวะนะขยับรวมทั้งหมดเป็นสิบสี่จังหวะหรือใครอยคิดจังหวะของตัวเองก็ได้นะไม่ได้ส่งวนลิขสิทธิ์ไปคิดเอาเองก็ได้นะทำจังหวะไปะแต่ไม่ใช่ทําจังหวะเพื่อจะทําจังหวะนะแต่เคลื่อนไหวไปเนี้ยจิตนี้ไปคิดก็รู้ทันจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือก็รู้ทันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลนกุศลก็รู้ทันใช่หลักเดียวกันคนไหนบริกรรมพุทโธนะ พุโทโธก็ยังดีกว่าเพ่งอะไรข้างนอกไปพุโทโธมันแค่ความคิดของเราเองเราก็พุโทโธพุโทโธไปใจก็หนีไปคิดแวบบไปเรื่องอื่นรู้ว่าใจหนีไปละพุโทโธพุโทโธนะใจก็สงบนิ่งเข้ามารู้ว่าใจมันนิ่งพุโทโธแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็รู้ไปรวความแล้วทํากรรมฐานอะไรก็ได้นะกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับกายและใจของเรานะเอามาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ไว้สักอันหนึ่ง อันนี้ที่หลวงพ่อพูดส่วนมากอยู่เป็นเรื่องกายนะอาศัยกายนี่แหละเป็นฐานนะ <c oughs> เคลื่อนไหวไปจิตใจเป็นยังไงก็รู้ทันไปฝึกไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะจําสภาวะได้แล้วจิตเราจะจําได้ว่าออกเผลอไปหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะเ <c oughs> พ่งเอาไว้เป็นอย่างนี้เองสภาวะของการเพ่งเป็นอย่างนี้สภาวะของการเผลอเป็นอย่างนี้สภาวะของความสุขความทุกข์สภาวะของกุศลสภาวะของความโลภความโกรธความหลงเป็นอย่างนี้นะ ความใจลอยความสงสัยนะความหงุดหงิดอะไรตาอะไรสารพัดเนี่ยเราหัดหายใจหัดพุดโทโธหัดอะไรของเรานี่แหละแล้วก็คอยดูสภาวะเรื่อยๆนะทุกวันทุกวันก็ทำอย่างนี้นะก่อนนอนไหวพระสวดมนต์ทำตมาที่เดินจงกรมอะไรทำนะเป็นข้อวัดไม่ละเลยนะจะช่วยให้เรารู้สภาวะได้มากขึ้นนะแต่ไม่ใช่ไปนั่งทำให้เคลิ้มเคลิ้มนะ บางคนชอบเปิดเทปธรรมะฟังแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เคลิม้มงอแงงอแ ง, ง, องขาดสติใช้ไม่ได้นะต้องนั่งต้องมีสตินะนั่งไปแต่มีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้นะเป็นกุศลนกุศลคอรู้รู้ไปเรื่อยๆจนใจมันชำนาญจําสภาวะได้ ต่มาพอเรามาใช้ชีวิตประจำวันนี่กรรมาฐานตัวจริงมาทําตอนอยู่ในชีวิตประจำวันนี่ไม่ได้ตอนอยู่ในวัดในวาอะไรนะไม่ใช่ทําตอนเข้าคอร์สอะไรหรอกอันนั้นคล้ายๆนักมวยเข้าค่ายซ้อมเท่านั้นเองต้องออกมาชกในชีวิตจริงๆนี่นะนักปฏิบัติไม่ใช่หนีโลกนะอย่างจอยอย่าไปนหนีโลกนะออกมาอยู่กับโลกนะพอตามองเห็ น, เ, นเช่นเราเห็นเพื่อนเราเดินมามันดีใจขึ้นมา นี่เราเคยดูสภาวะจนชำนาญแล้วพอใจมันดีใจแวบขึ้นมานะสติจะเห็นเลยอ๋อดีใจขึ้นมาแล้วก็จะเห็นเลยความดีใจเป็นนามธรรมอันนึงแปลกปลอมเข้ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะเห็นศัตรูเดินมาเกลียดแหมเกลียดจับจิตจับใจหรือไม่เห็นมันเดินมาก็ได้ น, นั่งอยู่ดีๆอยู่ๆก็หน้าไอ้คนนี้โผล่ขึ้นมานี่ศัตรูกันเคยโกรธกันเมื่อสิปีก่อนไม่เคยนึกถึงมันมาตั้งนานแล้วนะอยู่ๆมันผุดขึ้นมาในใจเราเนี่ยแม้ความเกลียดมันกลับมาอีกแล้ว สติรู้ทันในความเกลียดใหม่แล้เนี่ยเพราะเราเคยฝึกรู้สภาวะไว้เราจะเห็นเลยว่าความเกลียดเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต่อไปสัมผัสอะไรต่ อ, อไรนะเช่นเห็นหม า, าวิ่งมากลัวเนี่ยความกลัวผุดขึ้นมารู้ทันอีกแล้เห็นถูกลอตเตอรี่ดีใจนะหรือหุ้นขึ้นดีใจรู้ว่าดีใจหุ้นตกนะตกใจไปด้วยรู้ว่าตกใจนะ ดูไปดูมาเลยเลิกเล่นพุ่นเลยนะเห็นมีแตกแป่งขึ้นกับแข่งลงนะหลายคนภาวนานะมาอ้างกับหลวงพ่อนะมีคนหนึ่งนะเป็นกรรมการสวนโพนี่ชับเล่นพุ่นนะชื่อหมอไผนะ่ไปเล่นพุ่นแล้วมาอ้างนะว่าจะได้ดูจิตมจิตมันแข่งขึ้นแข่งลงทั้งวันเลยค่ะนะหองมันแข่งออกนอกหมดเลยนะ มันไม่ได้ดูลึกซึ้งอะไรหรอกนะแก่งออกนอกๆไปเนี่ยคอยรู้นะจริงๆแล้วกรรมาฐานทำง่ายนะเบื้องต้นก็หัดสักอย่างหนึ่งก่อนอย่างที่หลวงพ่อบอกเคยฝึอกอะไรก็ฝึกไปนะเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยลมหายใจก็หายใจเคยรู้อริทยาบทสีก็รู้ไปเคยยกเท้าอย่างเท้าดูท้องของยุบเคยทำจังหวะขยับมือนะทาไปอะไรก็ได้นะแต่ทาเพื่อสังเกตสภาวะ ทำไปแล้วจิตใจหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ฝึกอย่างนี้ฝึกทุกวันนะฝึกไปเรื่อยๆสติจะเกิดเองนะสติจะเกิดเองสติตัวจริงเกิดขึ้นมาแล้วจะมารายงานกับหลวงพ่อว่าไม่ได้ทําอะไรเลยมันเกิดเองนะ<ม>ถ้าเมื่อไรไม่ได้ทําอะไรเลยมันเกิดเองนี่แหละเรียกว่าทําเป็นแล้วจิตมันฉลาดละมันปฏิบัติได้เองละถัดจากนั้นไม่ต้องทําอะไรรู้ลูกเดียวจิตมันทําเองแหละ บางทีมันก็ทําอกุศลบางทีก็ทํากุศลบางทีมันก็เจริญสติเจริญปัญญาทํามันโน้นทํามันนี้ไปเรามีหน้าที่รู้ไปเรื่อยวันนึงปัญญาแจ้งแจ่มแจ้งขึ้นมาเออจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกทํางานได้เองสารพัดเลยนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปคิดนะเดี๋ยวก็ไปเพ่งเอาไว้เพืนะ่อแต่บังคับมันไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้ไปอย่างนี้นะเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ใจนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยต้องให้สติเกิดเองคล้ายๆนักมวยนะเป็นแชมป์โลกมันก็ไม่เลิกชกกระสอบนะอแชมป์โลกถึงเวลาก็ต้องเข้าค่ายซ้อมมวยมาชกกระสอบอะไรเงี้ยนักปฏิบัติก็เหมือนกันเราฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันเถึงเวลานะตกค่าหรือแต่เช้าก็ได้แล้วแต่คนไหนว่างตอนไหนเอาสักตอนหนึ่งนะอย่างน้อยวันละรอบ ก, ก็ยังดี เป็นการฝึกซ้อมดูจิตใจตัวเองดูสภาวะนะปฏิบัติเก่งๆก็ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งการทําในรูปแบบเป็นเครื่องช่วยเครื่องอาศัยจะได้หัดรู้สภาวะได้มากๆรู้สภาวะได้แม่นรัตติจะได้เกิดบ่อยทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับทันทีนะไม่มีนะประเภทว่ากําลังโกรธอยู่ค่ะโกรธไปรู้ไปค่ะรัสติตัวจริงไม่เกิดหรอกนะ ยังไม่ใช่สติตัวจริงถ้าสติตัวจริงเกิด น, นี่โกรธโกลธอยู่พอสติะระลึกปับ๊บน่งจะดับทันทีเลยโดยที่เราไม่ได้ดับมันนะมันดับของมันเองนะกำลังใจลอยอยู่พอรู้ตัวว่าใจลอยปับ๊บหายใจลอยทันทีจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวทันทนะีเพราะฉะนั้นถ้ารู้สภาวะลนปัจจุบันได้ถูกต้องนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นสติตัวจริงเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิก็เกิด สมมาสติเกิดสมมาสมาธิเกิดแล้วก็รู้เห็นกายเห็นใจนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเรานี่คือตัวสมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเข้าใจมากเข้ามากเข้าไม่ใช่ตัวเราจริงๆทั้งกายทั้งใจตัวเราไม่มีเข้าใจอย่างนี้จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองไม่ต้องตั้งใจรวมมันจะรวมของมันเองนะแล้วเเกเกิดโสดาปติมากขึ้นจะตัดความเห็นผิดนะว่าตัวเรามีอยู่ วันก่อนหมอนัามาถามว่าตอนหัดแรกๆเมื่อปีกลายหลวงพ่อบอกให้ดูดูลงไปเลยจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตมันโกรธมันไม่ใช่เราโกรธจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภนะจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงดูไปจิตนี้มันไม่ใช่เราหมอนัา ก, ก็ดูอยู่อย่างนี้นะดูจนจิตมันแจ้งขึ้นมาในเวลาปีกว่ า, วาเมื่ อ, อติดก่อนมาถามหลวงพ่อแล้วขั้นต่อไปจะดูยังไง บอกมีขั้นเดียวดูเหมือนเดิมแต่ความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมนะความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมงั้นรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆนะงั้นเครื่องมืออันแรกที่ต้องเอาให้ได้นะคือสติฝนะึกสติก็หาอารมณ์กรรมฐานมาหนึ่งเป็นตัวล่อจิตหนีไปก็รู้จิตไปเท่งก็รู้จิตเป็นยังไงก็รูนะ้ในที่สุดจําสภาวะได้ลับสติเกิดเองพอสติเกิดเองเนี่ยจิตจะเป็นกุศล จิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลนะจิตจะคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะพวกเรานะักปฏิบัติลองนึกดูทันทีที่เราคิดเรื่องปฏิบัตทิทีไรใจมักจะหนักหนักแน่นแน่แนแข็งแข็งสืบสืทื่อๆนะจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซืมที่ทื่อนี่คืออาคูสโณจิตนะต้องะ ร, ระมัดระวังปฏิบัติจนตกนรบ ก, ก็ได้นะเนะพราปฏิบัติแล้วเครียดจัดนะเครียดจัดไม่สบายใจมีแต่ฟุกล้วนๆเลย โทสะก็แทรกกับความทุกข์อ่ะเรียกจิตใจนี่คุ้นอยู่กับโทสะนี่ปฏิบัติจนตกนรกเลยนะหรือบางคนนั่งสมาธิเคลิ้มงอกแงงอแงองแลนะ้วขาดสติฝึกขาดสติทุกวันนะปฏิบัติจนเป็นเดรัจฉานนะเพราะว่ามีโมหะมากนะดังั้นต้องมีสติฝึกสติไปนะนิมนต์ครับอาจารย์อาจารย์วิวัตรวัดสม ขอโอกาสพูดกับโยมก่อนนะรับพระอาจารย์วิวัตรอยู่วัดสมนะมมเป็นพระมหาเถระยี่สิบกว่าพรนษะาฝึกไจนะฝึกให้ได้สตินะทันทีที่สติเกิดจิตจะเป็นกุศลนะจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะกิเลสจะดับทันทีถ้าสติตัวจริงเกิดกิเลสดับทันทีนะ แต่ยาบางคนโกรธไปดูไปโกรธไปดูไปทําไมมันไม่หายโกนะรธสักทีทำไมสติเราไม่มีคุณภาพนะที่ดูไปโกรธไปรู้ไปได้เนี่ยนะเพราะจริงๆจิตไม่ได้มีสติจิตกําลังมีความโกรธอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่นะคือโกรธได้ความโกรธตัวแรกอะ่ะอยากให้มันหายโกรธนั่นเองไม่ชอบมันนะเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้มีสติแต่จิตมีอัปภุสณ์นะแตถ้าสติตัวจริงเกิดจิตจะไม่มีกิเลส กิเลสจะดับทันทีเพราะงั้นการเจริญสตินี่ไม่ได้ละกิเลสนะไม่มีกิเลสจะให้ละหรอกในขณะที่มีสติแต่จะละอนุใสละนิสัยที่ไม่ดีของเราจะค่อยๆสลายตัวไปค่อยๆฝึกไปนี่พอจิตมันมีสติขึ้นมาจิตจะมีความสุขเพราะจิตที่เป็นกุศลนี่จะมีความสุขมหากุศลและจิตถ้าใครเคยเรียนอภิธรรมนะมหากุศลและจิตจะมีเวทนาคือความรู้สึกเนี่สองอย่าง อันหนึ่งเรียกว่าสมมนัสเวทนามีความเบิกบานใจมีความสุขอันที่สเรียกว่าอุเบกขาเวทนาจิตเป็นกลางๆงแต่กลางแบบนุ่มนวล น, นะมันก็คือความสุขที่ประณีตเข้าไปอีกนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ใช่กลางแข็งทื่อ น, นะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะเพียเพ้ยนเพียนแล้วนะั้นจิตใจจะมีความสุขขึ้นมาความสุขนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสม า, สมาร์สมาธนะิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั้นะจิตใจเรามีความสุข เพราะอะไรจิตใจเราก็จะมีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นเช่นะนเรามีความสุขที่จะอ่านนิยายแต่ก่อนหลวงพ่อจะบวชเนี่ยชอบอ่านเพชรพัมมานะไปซื้อมาจีหนึ่งตั้งหลายพันนะกองตั้งวอเลอร์เลยอ่านโต้รุ่งได้นะถ้าเรียนหนังสืออ่านโต้รุ่งไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะไม่มีความสุขนะเวลาอ่านนิยายแม้มันมีความสุขอ่านได้ตลอดจิตใจตั้งมั่นบางคนมีความสุขที่จะเล่นไพ่นะตำรวจมาก็ไม่รู้เพราะจิตใจตั้งมั่นนะ มีสมาธิในการเล่นไพ่นนี้ถ้าจิตใจก็เรามีสติรู้กายรู้ใจแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมามันมีความสุขที่รู้กายรู้ใจนะมันจะตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจสมาธิอันนี้จะเป็นสัมมาสมาธิคําว่าสัมมาสัมมาทั้งหลายนี่เป็นเรื่องของการรู้รกายรู้ใจตัวเองทั้งหมดเลยนะสติธรรมดานี่ก็ไปรู้สิ่งอื่นที่เป็นกุศลนะสัมมาสติเนี่ยรู้กายรู้ใจตัวเองนะสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจไม่หลงไปที่อื่น ใจของเราชอบเฉลบซ้ายเฉลบขวาดูออกไหมชอบหลงไปเรื่อยๆชอบเลื่อนลอยไปลอยวิคิดได้แหละตัวดีที่สุดไหนะลไปคิดตลอดเวลานะตื่นมาก็คิดคิดไปเรื่อยนะตื่นแต่ตัวแต่ใจนี่คิดคิดสันสันจิตไม่มีสัมมาสมาธนะิถ้าสติตัวจริงสัมมาสติเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิจะเกิดอัตโนมัตินะแต่เกิดชั่วขณะเท่านั้นอยู่แวบเดียวเพราะเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิชั่วขณะ อย่าดูถูกว่าสมาธิชั่วขณะไม่สําคัญนะสําคัญที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยมันหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองคําว่าปัจจุบันเป็นขณะเดียวไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งวันนะดังนั้นสมาธิใจที่ตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเนี่ยมันรู้ลงปัจจุบันได้จริงๆรนะรู้กายลงปัจจุบันจริงๆถ้ารู้จิตนี่มันก็ตามหลังไปตลอดตามติดติดติดติดไปนะไม่ซาดเคลื่อนนี้พอจิตมันมีสมาธิมันตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจมากๆครับ สัมมาสมาธินี่ตัวสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะงั้นเราจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากๆในที่สุดเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญานะในตำราจะสอนไว้อย่างในนวะปวะเนี่พระบวชใหม่ต้องเรียนนวะปวานะสอนบอกว่าปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารไม่ใช่กองอะไรหรอกก็คือขันหานี่เองคือกายกับใจนี่นะคือความรอบรู้ เท่าทันความเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเรานะนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาไม่ใช่เรื่องความฉลาดแตกฉานรู้พระไตรปิฎกนะอย่างนั้นไม่เรียกว่าปัญญาปัญญาที่ตัวสําคัญมากเลยคือปัญญาที่รอบรู้เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเข้าใจความเป็นจริงเบื้องต้นก็เห็นว่าเออไม่ใช่ตัวเราเป็นปัญญาระดับรโศดบัณฑสกีทาคามี แต่มามีปัญญาระดับกลางจะเห็นว่าเออถ้าจิตเรารู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นอยู่นี่ไม่มีความทุกข์จิตไหลออกไปถึงจะมีความทุกข์จอยรู้สึกไหมจิตมีสองชนิดจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขจิตที่ไหลไปมีความทุกข์นี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะแต่ยังฉลาดไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าจิตเป็นสุขทั้นสอนวาขันห้าเป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่กายเป็นสุขว่างเป็นทุกข์บ้างใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง ของเราแต่ละคนรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจของเรารู้สึกไหมเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมีทางเลือกนะเพราะงั้นเราจะดิ้นรนหาความสุขดินนน้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาเจริญสติจเจริญปัญญาจนปัญญามันอย่างตึกซึงนะจะเห็นร่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆพอทุกข์ล้วนๆนี่ไม่มีทางเลือกมันจะปล่อยวางมันปล่อยวางเพราะมันเห็นทุกข์นั่นเองครนะูบาอาจารย์มัตตาทั้งเคยสอนหลวงพ่อ น, ะเนนะะเห็นทุกข์นี่แหละเห็นธรรม หลวงูเทศเคยสอนนี้เห็นทุกนล่นแหละเห็นธรรมมาองศอนนิพพานอยู่ภาคตายเหมือนเกือบต่างตายเข้าใจยังเข้าใจแล้วต่อไปนี้ลงมือปฏิบัติหัดซ้อมดูสภาวะซ้อมดูสภาวะไปหาโรงกรรมฐานอันนึงนะที่ชำนาญที่ทำแล้วมีความสุข จะรู้อิริยาบดีสี่ก็ได้รู้ท้องฟองยุบก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะรู้อิรยาบดีสี่อย่างสายจันแนบก็ได้อะไรก็ได้เอาที่มันเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี้แหละแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปดูไปเรื่อยๆจิตจําสภาวะได้สติจะเกิดสติเกิดแล้ว จ, จิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลที่มีความสุขความสุขทําให้จิตมีสมาธิ สมาธิทาให้เกิดปัญญาปัญญาทําให้เกิดวิมุตตอมาเป็นสายเลยนะท่านได้สติตัวเดียวอาหลวงพ่อหยุดพูดตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยใครใจลอยบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยพวกที่ไม่ยกไม่ใช่ไม่ใจลอยหรอกไม่กล้า ย, ยกเห็นใจลอยกันเป็นแถบๆนะเพราะอะไรใจเนี่ยไม่อยู่กับตัวหรอกใจเราจะหนีตัวเราเองทั้งวันนะ มรรคผลนิพพานเลยหายากป้าริยะเลยหายากแต่ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจได้ว่าผู้เจ้าสอนนะกรับใดที่ยังมีผู้เจริญสติโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์สตินี้สําคัญมากทีเดียวแต่เราจเจริญไม่เป็นเราชอบไปบังคับให้สติเกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องทําต้นทางเขาคือหัดรู้สภาวะไปหัดรู้ไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวสติเกิดเองพอสติเกิดเองจะหน้าใสใสมารายงานหลวงพ่อแล้ว หมูนี้ไม่ได้ทำอะไรสติมันเกิดเองจิตมันเดินของมันเองนะจิตมันปฏิบัติเองเป็นไงคุณหมอมันทำเองยังนึก <c oughs> เห็นทั้งวันนะคุณหมอคมสันอยู่แล้ก็กรประพบเหมือนกันนี่รุ่นน้องหมอนัดนะรุ่นพี่หนีไปก่อนแนละ้ว <c oughs> รุ่นน้องตามหลังมาติดติดนั่นแหละดีแล้วโง่โงไว้หมอ <c oughs> <c oughs> รู้มากยากนานหมอรู้แค่ว่า สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับรู้เท่านี้พอละนะบางวันนะ้เหมือนฉลาดแตกฉานนะรู้เยอะบางวันไม่รู้อะไรเลยเห็นแต่เกิดดับบางวันเกิดดับก็ไม่เห็นฟุ้งอย่างเดียวเนี่ยจิตเสื่อมถ้าจิตเสื่อมไม่ต้องตกใจเพราะอะไรเพราะจิตเป็นของเสื่อมนะจิตไม่ใช่เจริญได้ข้างเดียวนี่สิ่งใดที่เจริญได้สิ่งนั้นก็เสื่อมได้ ไม่เป็นไรเราก็อยู่กับโลกไปตามปกตินั่นแหละแต่ว่าแต่เดิมเนี้เราผูกพันกับโลกด้วย ก, กิเลสแต่เป็นนี้เราเราอยู่กับโลกนะอย่างมีสติปัญญาอยู่อย่างรู้ทันมัน <c oughs> อยู่กับมันนั่นแหละจริงๆแล้วก็อาศัยอยู่กับโลก <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงมันไร้สาระนะโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ไร้สาระโลกนี้จืดชืด นี่ปฏิบัติแล้วใจจืดมีคนเคยมาว่าพระพุทธเจ้านะใจจืดท่านบอกท่านจืดสนิทเลยเออมีคนมาด่านะคือไอคนเดียวกันแหละชอบดา่าด่าใครไม่ดา่าแล้วด่าพระพุทธเจ้าบอกสมณโผดมไม่ผุดเกิดเออท่านบอกท่านไม่เกิดแล้วท่านยอมรับหมดเลยมันด่าอะไรท่านบอกใช่ข้างนั้นเลยนะดอนหลังเลยเรื่องดา่าตอนนี้จใจก็เป็นพวกใจจืด แต่ไม่ใจดําใจจืดแต่ใจสว่างชีวิตนี้มีแต่ทุกข์ชีวิตที่สนุกได้เพราะมันหลงถ้าไม่หลงมันไม่สนุกหรอกแต่ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์นะไม่ใช่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งนะปฏิบัติแล้วเต็มไปด้วยความสุขเห็นโลกมีแต่ความทุกข์นะแต่จิตเรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่ประหลาดมากนะค่อยๆฝึกไปเดีนยวจะหาว่าหลวงพ่อโฆษณาชวนเชื่อ ยุคนี้ยุคโฆษณาเนาะมีอะไรโฆษณาอา้าวบิ๊กสงกันบ้านไปทำอะไรมาหน้าสดใสอือ ก, ก, ก็ดีแล้วเนาะดีแล้วอุตสาห์บวชพ็สึกไปเสื่อมหมด บางคนเสือเ่อมยิ่งกว่าชาวบ้านทั่วไปนะคืออยู่บวชไปแล้วพอสึกไปเลยเกลียดบัตรเลยพวกนี้ตนะอนมีพระมาเล่าว่าเจอท่านจันตันที่ใต้ต้นโูเนะข้าไม่ถึงลูกศิษย์ล้อมอยู่เจ็ดสิบคนดีแล้วนะหาครูบาอาจารย์อย่างนี้ยากนะในยุคนี้มีไม่เกี่องค์หรอก สะอาดหมดจดบิวอ <c oughs> ่าฟิวเป็นไงอะไรนะเลย์ขยันเดินบ้างเปล่าเนี่ยดูข่าวเลย อ๋อพอๆก็บมอภัยฟังหุ้นอ่ะกปฏิบัติไปฟังไปอะไรที่มันอกุศลก็อย่าไปฟังมันเยอะอะไรที่รู้แล้วไม่สบายใจนะตอนนี้เอาตัวรอดก่นอนเอการเมืองมีให้เล่นเยอะแยะนะมีเล่นได้เรื่อยๆแต่ธรรมะอยู่ในช่วงสั้นๆธรรมะไม่นานก็จะหายไปจากโลกงั้นมีโอกาสเจอรีบขนไกวก่อนการเมืองนะ ตายแล้วไปเกิดใหม่ก็ยังไม่หมดหลอกการเมืองอนะออนะนะวัดหลวงพ่อเลยปลอดการเมืองนะตั้งแต่ตั้งวัดเลยนะตั้งวัดใหม่ๆคนมาชวนไปเชียร์ทักฝิหนอไม่เชียร์มันหรอกมันดีได้มันก็ชั่วได้นะโรกธรรมดามเป็นอย่างนั้นนะเอาแน่นอนอะไรนะบอกเว้นที่นี่ไว้ที่นี่ปลอดการเมืองซะที่หนึ่งเถอนะให้มันร่มเย็นหน่อยให้คนมาเรียนกรรมฐาน อันนี้ไปไล่หลวงพ่อกเลยไม่ได้ไล่ด้วยเพราะหลวงพ่อไม่ได้ไปเลือกเอาไว้ใครไปเลือกก็ว่ากันเอาเองนะที่นี่ไม่เกี่ยววัดหลวงพ่อจะไม่มีคนพูดเรื่องอื่นั เ, นเก็นไหมโยมที่มาเรียนกรรมาฐานจากหลวงพ่อเนะจึงเงียบเงียบไม่พูดหรอกนะเรียนด้วยการเงียบเงียบไม่พูดมากนะถ้าหลวงพ่อปล่อยให้พูดไม่นานจะทะเลาะ ก, กันแล้วคนที่มาอย่างนี้มีทุกสำนักเลยนะ ถ้ให้พูดจะเริ่มพลาดจริงสำนังอื่นเขาเดี๋ยวจะตีกันงั้นะไม่ต้องพูดเลยนะฟังหลวงพ่อไปเรื่อยเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาเอางนะใจมันจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นโยมผู้หญิงนะ่ารู้สึกไหมเสือกางเกงแดงอะ่ะเหมือนกับใจมันค่อยๆตื่นขึ้นมานะใจมจะค่อยๆตื่นขึ้นมานะแต่เดิมมันจะฝันฝันไปเรื่อยพ่อฝันไปแล้วพ่อนะอาจารย์จุนเป็นไงอาจาันจุน ดีกว่าข่าวที่แล้วถูกต้องล่ะเป็นฉัดสะพอนเอยู่ไหนล่ะอ๋อว่าไงว่าไงโอ้พอหลวงพ่อใกล้ยายนะรู้สึกสองคนนี้ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยดีละ <c oughs> ดีละนะทําได้ดีแล้วข <c oughs> ยันเรื่อยๆนะ <c oughs> อย่าขยันช่วคราวนะเอาคุณแตมเป็นไงคุณแตมเออรู้สึกตัวบ่อขึ้นดีรู้สึกตัวบ่อยก็คือเผลอบ่อยนั่นึอง หรือแวบไปเรารู้สึกแวบไปแล้วรู้สึกอดีดีแล้วดาวเป็นไงดาวใจตอนนี้รู้สึกตัวเต็มที่อย่งขณะจิตนี้เออนะยังหนักหนักอยู่ยังมีของปลอมอยู่นะแล้วก็รู้ผันใช้ได้เห็นไหมหลวงพ่อไม่ตําหนิเลยนะจิตยังหนักหนักอยู่ก็ไม่ว่าอะไรขอให้รู้ก็แล้วกันะจิตจะเป็นกุศลหรือเป็นอ ก, กุศลก็ขอให้รู้ก็แล้วกันใช้ได้ละมันก็ไม่เที่ยงนะหนักก็ไม่เที่ยงดาวดูออกไหม เดี๋ยวก็หนักมากเดี๋ยวก็หนักน้อยออมีแต่ของไม่เที่ยงชื่อไรเนาะหลับแล้วคุณเ อ, อาเชิญหรอทาไมการเมืองทาคิดอ๋อจิตเนี้ยนะไม่มีคาว่าตกหรอกเพราะจิตมันเกิดดับทีละขณะทีละขณะมันไม่ทันตกแนละ้วมันก็ดับไปแล้ะ ไม่เป็นไรนะมันเจริญแล้วมันก็เสื่อมนะแต่พอมันเสื่อมอย่าตกใจอ่อย่าพยายามดิ้นรนนะเสื่อมก็ดูไปดูไปด้วยใจสบายๆว่ายายคนนี้จิตเสื่อมไปแล้วดูเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็เจริญนะอย่าไปเกลียดมันถ้าเกลียดมันมันอยู่ไปเลิกเลยถ้ามันเสื่อมเออมันเสื่อมไปแล้วนะของไม่เที่ยงมันสอนธรรมะเรามันของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้ ก็เข้าใจนะ้วใจสบายดูมันเสื่อมๆไปด้วยใจสบายก็ดีขึ้นมาเลยคุณแต่รู้จักชมพูไหมชมพูชมพูอยู่ไทยวัฒนาพาณิชย์เลยเนะี้ยพวกต่อสววนชมพูนะพัฒนาดีดูจิตดูใจสติเกิดได้เยอะเลยมาวัดนี้หลวงพ่อก็ชมไปวัดป่าละอูทางโน้นท่านก็ชมอะไรเงี้ย ชมไปชมมาค่อยๆเป็นแชมป์แล้วนะต้องรักษาแชมป์คราวนี้แข็งแข็งแข็งเลยนะจิตเสื่อมจิตเสื่อมเราดิ้นใหญ่เลยยิ่งดิ้นใหญ่เลยหาทางแก้ไขหาทางรักษาอาการจิตเสื่อมดิ้นอยู่สองเดือนนะรักษายังไงก็ไม่หายโอ้จิตเสื่อมมาสองเดือนแล้วหมดปัญญาที่จะแก้ไขแล้วช่างมันเถอะอยากเสื่อมก็ช่างมันเถอะพอช่างมันเถอะ้มันขึ้นมาเลยเวลาจิตเสื่อมห้ามตกใจ ตกใจให้รู้ว่าตกใจเดี๋ยวบอกห้ามตกใจเดี๋ยวก็ใจจิตมันจะตกใจอ่ะคืออย่าไปเกลียดมันคือเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาความเจริญปฏิบัติไม่ใช่เอาความสุขความสบายแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงนะกายนี้ใจนี้เจริญได้ก็เสื่อมได้เป็นสุขได้ก็เป็นทุกข์ได้ดีได้ก็ยังชั่วได้อีกะละเอียดได้ก็หยาบได้อีก เดี๋ยวก็อยู่ภายในเดี๋ยวก็ไปภายนอกนะเดี๋ยวก็อยู่ใกล้เดี๋ยวก็หนีไปไกลนะดูไปทุกสภาวะเสมอภาคกันนะดูจะเห็นนั่นทุกสภาวะเสมอภาคกันอสุธรรมเป็นไงสุธรรมหายเป็นนานอ เ, เ, เออรัะรู้ไหมเลยอยาไปหน่อยไม่ดีเนาะ ออนะ่าจะทิ้งนะ่ะรูปแบบของการปฏิบัติจาเป็นไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรควรทำแต่ทําแบบมีสตินะบางคนบอกหลวงพ่อต่อต้านการทําสมาธิพระอะไรอย่าไปต้านสมาธิพระพุทธเจ้าสอนสีส่สมาธิปัญญาแต่ว่าสมาธิต้องประกอบด้วยสติสมาธิถ้าไม่ประกอบด้วยสตินี่มันเป็นอคูศนเป็นมิจฉาสมาธิ สมาธิเนี่ยมีทั้งในจิตที่เป็นกุศลและอกุศลนะสมาธิไม่ใช่ว่าพอจิตมีสมาธิแล้วเป็นกุศลแต่สติเนี่ยเกิดเฉพาะกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะสติในตัวสําคัญเลยแต่อย่างเราจะอ้างว่าเรามีสมาธิเทวทัศน์ก็มีสมาธิแต่ศีลไม่มีตกนรกได้เพราะฉะนั้นสมาธิไม่ใช่ตัวชี้ขาดว่าปฏิบัติดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่ามีสติประกอบอยู่ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไหม ทำสมาธิอยู่ก็ทําด้วยความมีสตินะจะหายใจออกจะหายใจเข้าก็มีสติเห็นร่างกายมันหายใจไปใจของเราเป็นแค่คนดูสบายๆไปนะจะเดินจงกรมก็เห็นร่างกายนี้มันเดินไปใจของเราเป็นคนดูอย่างสบายๆไปจะค่อยๆเพือย่างนี่ต้องมีสติตลอดนะนั่งแล้วเคลิ้มก็แงงๆ็แง ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งไม่ดีนะเรียกคอเครียดหลวงพ่อตอนหันใหม่ๆชอบนะนั่งแล้วมันเคลิ้มๆนะไปเห็นโน่นเห็นนี่ชอบชอบ แล้ววันหนึ่งเกิดนึกขึ้นได้ว่าออกไปเที่ยวอย่างนี้ถ้าไปเจอผีจะทํำยังไงนะตอนฉนันเจ็ดขวบเองนะเจ็ด <c oughs> ขวบเจ็ด <c oughs> ขวบก็ถ้าอย่างนี้เล่ก์ฝึกมาโยมโนมายดทธิเก่งนะ <c oughs> ออกไปนอกๆก <c oughs> ว่าจะย้อนมาดูกิเลสได้เนยะต้องมีครูบาอาจารย์บอก <c oughs> จริงๆมันก็ย้อนเหมือนกันไฟไหม้ข้างบ้านตอนสิบขวบ <c oughs> ใจมันตกใจ ตกใจก็วิ่งเลยนะวิ่งจะไปบอกพ่อวิ่งไปสามเก้ามันเห็นความตกใจเห็นจิตที่ตกใจเสร็จนะ แ, แล้วก็ลืมไปอีกไม่รู้ว่านี่คือวิธีปฏิบัตินะลืมไปอีกจนมหัสปฏิบัติมาตั้งนานะอ้าวมันกลับมาที่เดิมนั่นเองเพราะงั้นพวกเราทำไว้นะฝึกไปอย่างที่หลวงพ่อบอกนะฝึกสติไปนะชาตินี้ยังไม่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวชาติหน้าก็าใกล้เข้าไปอีกแล้วนะ หลวงปู่เทศท่านบอกไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติเราทำกันทั้งชีวิตเลยนะชีวิตไม่ใช่เรื่องมีน้อยหรอกท่านบอกตราบใดยังมีกิเลสเดี๋ยวก็มีชีวิตอีกไม่ต้องห่วงนะมีไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปลืมตัวเองละคนที่มีผ้าคาดไหลเนี่ยรู้สึกไหมแค่นี้พอละนะเรียนอย่างเนี้ยเรียนให้คอยรู้ทันสภาวะไปเรื่อยหนุ่มที่ใส่แว่นตาเนะสื้อสีน้ําเงินไกรลอยละรู้สึกไหมลืมตัวเองไปละ ลืมไปแล้วตอนนี้พอหลวงพ่อกวาดตาไปทางนี้แล้วรวกเริ่มแข็งแล้วนะรู้สึกไหมจิตเริ่มแข็งแขงขึ้นมานะทางนี้รู้สึกผ่อนคลายเพราหลวงพ่อยังไม่หันไหนะนใครจะถามอะไรอีกเชิญเชิญเดี๋ยวต้องขอเวลาคุยกับพระบ้างข้อวัดหลวงพ่อเหรอเอาตั้งแต่สมัยเป็นคารวะไหม ฮะอะไรนะเห็นมากเห็นผลเหรอไปบวชก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังข้อบัดของหลวงพ่อนะไม่มีอะไรมากเลยนะถ้าเป็นคารวะเราก็ทำหน้าที่ของคารวะไปเวลาง่วงก็นอนเวลาหิวก็ไปกินเวลาร้อนก็ไปอาบน้ํำแต่ว่าตลอดเวลานั้นนะ หลวงพ่อไม่เคยละเลยที่จะรู้ทันใจตัวเองถ้าไม่รู้ใจก็รู้ร่างกายถ้าไม่รู้กายก็รู้ใจตกค่าไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิไม่ไม่ชอบเดินไม่ถนัดเดินเพราะว่าบ้านเป็นไม้กระดานเวลาเดินนั้นมันดังเงยด็ดเย็ดอ้านอ้านหนวกูชาวบ้านเขาหนวกถูกกว่าหนึ่งเดนมากก็เลยนั่งนั่งดูเพราะฉะนั้นข้าวัดของหลวงพ่อก็คืออย่างวันจันทร์ตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันจันทร์ใจแห้งแล้งเลย รู้ว่าใจแห้งแรงนะตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์จิตใจสดชื่นเลยรู้ว่าสดชื่นนี่ข้อวัดของหลวงพ่อเด็ดขาดไหมนะเวลาอาบน้ำนะอากาศร้อนไปเจอน้ำเย็นมันดีใจหลวงพ่อรู้ว่าดีใจนะอากาศหนาวเจอน้ำเย็นเจอตุ่มน้ำเนี่ยใจสยองเลยรู้ว่าสยองนะกินข้าวนะตามองเห็นของโปรดใจมันดีใจนะเห็นแต่ของที่เราไม่ชอบนะไม่ค่อยสบายใจ นะมาขึ้นรถเมย์นะเห็นคนแน่นเต็มป้ายรถเมย์เลยนะไม่สบายใจนะหรือนั่งรถไปวันนี้เจอแต่ไฟเขียวสบายใจรู้ว่าสบายใจเห็นไหมข้อวัดของหลวงพ่อเป็นใหญ่มั่งยากนะจะบอกให้ <c oughs> ยากมากเลยเพระอะไรเพราะเราทําตั้งแต่ตื่นเลยนะถ้าประเทศหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเดินมาละสามชั่วโมงออย่างงี้อย่างงี้ง่ายนะเดินสู่รูสู่กลางไปเดี๋ยวก็ได้สมชั่วโมง แต่ว่าอาจจะไม่ได้สติก็ได้นะ เ, เวลาทํางานหลวงพ่อจดจ่ออยู่กับงานนะทํางานไปแล้วเกิดขี้เกียจสติระลึกรู้นะทํางานแล้วงานดีคนชมดีใจรู้ว่าดีใจคนว่าเราเราไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนะหมดเวลาทํางานกลนะับบ้านแล้วไม่มีธุระอะไรไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิออย่างเงี้ยพักผ่อน พอเป็นวัดมาวิูวัดก็ทําข้อวัดของพระสิเห็นไหมไหวพ้พระสวดมนต์บิณฑบาตฉันอาหารนะมีข้อวัดที่หลวงพ่อไม่ชอบอยู่อันเดียวคือคุยกับโยมแล้หลวงพ่อมีธรรมชาติชอบอยู่คนเดียวนะแต่โยมมาไม่รู้จะทํำยังไงนะก็เลยต้องคุยด้วยนะแต่คุยแล้วสังเกตไหมหลวงพ่อไม่ตามใจโยม บางวัดนะโยมจะไปคุยอะไรท่านก็นั่งฟังไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อไม่เอาเลยเวลานี้เป็นของหายากรวมทั้งเวลาของโยมนะเวลาของโยมยิ่งหายากใหญ่เวลาต้องใช้ไปทามาหากินตั้งเยอะแล้วอย่ามานั่งแช่อยู่ที่วัดนานๆมาเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องลงมือปฏิบัติข้อวัดของหลวงพ่อคล้ายๆข้อวัดของท่านเวลหะ ถ้า ง, ง่วงก็กินถ้า ง, ง่วงก็นอนนะถ้าหิวก็กินอ่างเงี้ ย, ยแต่ว่าพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็มีสติฝึกไปอย่างนี้ยากนะเพราะว่าไม่มีเวลาหลวงพ่อไม่ได้ปฏิบัติเอาเวลานะไม่ได้นับเวลาเลยว่าจะทำมาละกี่ชั่วโมงตลอดวันมีแต่สองอย่างมีสติกับขาดสติ เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นได้ปฏิบัติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติทำไหวไหมอย่างนี้บางคนบอกว่าวิธีการของหลวงพ่อเนี่ยนะมันไร้กระบวนท่ารหลวงพ่อบอกกระบวน่ารนะั้มันทำเอาเองได้นะถึงบอกว่าใครเคยหายใจก็ไปหายใจใครเคยดูท้องพองยุกก็ไปดูไนะอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นเป็นเปลือกของการปฏิบัตินะเป็นรูปแบบ ทำไงสติตัวจริงจะเกิดตัวนี้ต่าหากที่สําคัญนะพวกคุณจันทรสํานักพิมพ์ธรรมดานะเคุนจันบอกเนี่ยวิธีของหลวงพ่อเนี่ยนะไร้อะไรนะไร้เออกรบีอยู่ที่ใจไร้กระบวนท่านะบอกเข้าใจผิดแล้วเข้าใจหลวงพ่อผิดแล้วหลวงพ่อไม่ใช่กระบี่อยู่ที่ใจหลวงพ่อไร้ใจไร้กรบี่นะ ฝึกไปนะถึงขั้นไร้ใจได้แนละ้วจะอัศจรรย์คือปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้วจะอัศจรรย์นะเหมือนพ้นทุกข์จริงๆอ้าวใครจะถามอะไรเชิญได้คำตอบไหมหลวงพ่อบอกแล้วหลวงพ่อพูดตามใจตัวเองไม่ตามใจโยมนะคือตามใจโยมแย่เลยนู้ดยกมือก่อนเชิญ อ๋อมันสมควรออกบวชแล้วก็บวชอะนะความจริงก็คือหลวงพ่อภาวนาเนี่ยนะหัดใหม่ๆนะอยากบวชแต่พอภาวนามาถึงช่วงหนึ่งเนะี่ยรู้สึกบวชกับไม่บวชก็เหมือนกันแหละนะเราสามารถอยู่กับโลกได้อย่างสบายๆไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกนะการปฏิบัติเราก็ทำเพราะเราได้นี้พอดีไปเจอลูกศิษย์หลวงพูดูรุ่นพี่ท่านชวนให้บวช ท่านชวนให้บวชหลายทีนะหลวงพ่อก็ยังไม่ยอมบวชหรอกในสุดท่านเลยดา <c oughs> ่าก็เลยยอมบวชทีแรกท่านบอกเอา้ามาบวชเธอมาช่วยกันหน่อยเนะียมาช่วยกันสอนช่วยกันเผยแพ่หน่อยศา ส, สนาอ่อนแอลงเยอะแล้วท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อก็ถามท่านบอกว่าที่หลวงพี่สอนพระมาตั้งเยอะแล้วมีพระเข้าใจไหมท่านบอกมีเอางั้นผมไม่ต้องบวชหรอกก็ให้พระที่เข้าใจแล้วช่วยท่านไป ท่านเลยนิ่งอึ้งเลยนะเจอไม้ตายของเราเรานึกว่าเราฉลาดมากแล้วพูดอย่างนี้ท่านเสร็จเราแน่เลยแล้วท่านมาเหนือเมฆนะท่านเงียบเงียบไปพักหนึ่งมองหน้าเราแบบลงอนิจจังผ ส, สมสมเพศอ่ะแล้วก็คนบางคนไม่ว่าเรานะแต่ว่าคนบางคนนะคนบางคนมันประหลาดของดีอยู่แต่หน้าเห็นก็เห็นเอาก็เอาได้แล้วไม่เอาเขาเรียกว่าคนประมาท ถ, ถูกท่านว่ายอย่างนี้แหละ เลยรีบลาท่านบอกว่ารีบล้านะออกมานอกคุณสีท่า น, น่ะะแม่บ้านเขาบอกพี่บวชเถอะท่านว่าขนาดนี้แล้วบวชเถอเนนะนี่ยอาศัยภรรยาชวนนะเลยบวชหลวงพ่อท่านชวนมานานแล้วยังไม่บวชเสร็จแล้วเลยเข้าไปหาท่านนะบอกว่าเอาละตกลงจะบวชละะแต่มีภาระเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ะเราลูปคนเดียวะทั้งหมดภาระ เราจะมาบวดก็แค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกนะก็กลัวขึ้นบ้านไปไปถามคนอื่นไม่ตอบปัญหาอย่างนี้นะที่นี่ตอบแต่เรื่องวิปัสสนะอาอ๋อลองเพ่งเอาหัวไม่มือตึองมามเพ่งใส่หัวไม่มือเลยให้ใจไปจ่อที่หัวไม่มือ เพ่งนานๆยังไม่ต้องสนใจหลวงพ่อเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเพ่งนะนึกออกไหมใจมันไหลลงไปเกาะอ่ะพอละพอละใจมันเคลื่อนไปเกาะรู้สึกไหมเวลาเราดูจิตก็เหมือนกันถ้าเราไปจ้องใส่มันนะใจเราจะเคลื่อนไปเกาะสงสัยอีกแล้วรู้ไหมอย่าเรียนด้วยการคิดเอาเรียนด้วยการรู้เอานะสงสัยรู้ว่าสงสัยนะแล้วเดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะ เพ่งจิตนั้นมันจะจ้องเข้าไปใจมันจะนิ่งนิ่งแต่การรู้เนี่ยจะไม่เข้าไปควบคุมเลยนะจิตใจจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาคุณวัสันเป็นไงคุณวัสันไหนมีใครอีกหน้าเหมือนเราไหม เออนั่นแหละดีแล้วนางมารร้ายมันโชว์ให้ดู <c oughs> นางมารเยอะมากดี <c oughs> ดีโอนั่นแหละหลวงพ่อบอกแล้วถ้าใครเรียนจากหลวงพ่อนั่นจะชั่วมากกว่าเกา่า <c oughs> นะเพราะแต่เดิมคิดว่าตัวเองดีเพราะเราเข้าข้างตัวเองเราไม่เห็นกิเลสตัวเองนะ้หาหัดดูจิต ด, ดูใจเราจะเห็นว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยหาคนร้ายเท่าเราหายากนะแล้วมีมารยาต่างๆนะรู้สึกไหมมันไม่ใช่ ตัวร้ายอย่างเดียวนะเจ้ามารยาเจ้าเล่สารพัดเลยมันสารพัดเลยตัวนี้ดีแล้วเก่งแล้วภาวนาได้อย่างนี้หลวงพ่อชอบนะดีถ้าภาวนาแล้วเห็นเทวดาเห็นผีอะไรอย่างนี้ไม่ชอบภาวน า, าแล้ว เ, เห็นกิเลสตัวเองเห็นนางมารร้ายนี่หลวงพ่อชอบมากเลยดีละถ้าเห็นกิเลสตัวเองนะมีทางดีละถ้าเห็นแต่ว่าเราดีเราดีนะไม่มีทางดีเลย ครับท่านนี้นั่นแหละที่เคยอนะัเออนะ่มันสักของไว้ดีแล้วฉลาดแล้วนะถ้ว่าจิตประพัสนี่คือมันจิตพัสอนเองก็ไม่เที่ยง นะแต่ถ้าเราได้สมาธิมากมากนะทรงฌานอยู่จิตตั้งมั่นอยู่นะก็สว่างอยู่นานนะแต่ถึงยังไงก็หมองเพราะนนั้จิตประพัฒสอนไม่ใช่ที่พึ่งของเราหรอกจิตประพัฒนสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับจิตที่ไม่ประภัฒน์สอนเราต้องเห็นจิตที่ไปคู่กันตรงข้ามกันนะเช่นจิตที่โกรธกับไม่โกรธจิตที่โลภ ก, กับไม่โลภเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงหรอกนะคุณดูนะมันประภัฒนสอนได้มันก็เศร้าหมองได้ เพราะงั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งนะยังมีสองอันอยู่แต่ถ้าเรายังเห็นว่ามีสองอย่างเราอยากได้อย่างดีไม่อยากได้อีกอย่างหนึ่งใจเรายัางดิ้นอยู่งั้นถ้าปัญญาเราแก่รอบเราจะเห็นเลยจิต ท, ที่ว่าพระพสอยก็เอาไว้ไม่ได้ดีถามดีนะลึกซึ้งดีอา้าวดีว่าไงยกมือนะอ๋อเกาหัวนะเนาะอ้า เออเออเออดีแล้วดีแล้วเออดูไปอืมว่าดีาไม่หมายวา่าจอไจริงเออนั่นแหละทำไปตปัญหาอว่าบางครั้งมันเตอนนี้กินกับการเล่าแล้วรู้สึกไหมเออรู้สึกอย่างนี้รู้สึกเลยเยเออห้ามมันไม่ได้ดูไปนะเหมือนดูคนอื่นนะดูใายบ้าคนนี้มันทำงานไป นะดูเหมือนดูคนอื่นนะแล้ง่ายถ้ามันเป็นตัวเรานะมีผลประโยชน์ละตอนนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นี่นนดูแบบมีส่วนได้เสียนะดูเหมือนดูของคนอื่นนะไม่มีส่วนได้เสียสบายนะอ้ามีไหมมีกไห ม, ม, มอ้าว่างไง <un> ได้ได้ดูไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องดูให้ดับหรอกนะดับก็ดับของมันเอง นะดูตามปรบเป็นจริงเท่าที่มันเป็นนะ่ะเออดีนะถามดีหมดยังเอายังไม่เล ย, ยน้อยลงเยอะเลยนะเหลือนิดเดียวมาประเองตอันอยู่ใกล้ๆหลวงพอ่อนะอมีอีกไหมมีอีกไหมเสื้อสีฟ้าเนี่ยเป็นไงสติกเกิดใบผู้หญิงเนี่ย สติเกิดได้เรื่อยไหมดูทันไหมรู้สึกไหมใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแลรู้สึกตัวไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมานะดีแล้วทำได้ดีนะแต่ยังติดการสะบคลองไว้นิดนึงการรักษาอย่ากลัวหลงนะอ้ามีใครอีกหนึ่งสองสามเอาเลิกนะเกิดกลับบ้านไปนะ ใครจะถวายอะไรหลวงพ่อนะปากๆเข้าไว้ก็แล้วกันนะ